ห้องสมุดหลังไหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้มาถึงตอนอวสานของจิตตนครแล้วนะคะประนิพนธ์ของสมเด็จพระยายนสังบลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะดิฉันรัศมีมณีนินอันเชิญมาถ่ายทอดนะคะ ให้คุณฟังได้ประโยชน์จากบทพระนิพนธ์ซึ่งสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชนะคะพระองค์ทรงนิพนบทละครวิทยุจิตตานะครเพราะว่าในสมัยนั้นคนไทยนิยมฟังละครวิทยุค่ะพระองค์ก็เลยทรงนิพน์เป็นบทละครวิทยุแล้วก็เรียบเรียงออกมาเป็นตอนๆ แล้วก็ส่งอ่านออกอากาศเป็นละครวิทยุด้วยพระองค์เองนะคะทางสถานีวิทยุอสพระราชวังสวนจุสิษฐ์ซึ่งในเรื่องก็จะมีพระเอกนางเอกผู้ร้ายครบค่ะในเรื่องสนุกนะคะแล้วก็แฝงด้วยคําสอนทางธรรมทรงพยายามที่จะให้คนไทยได้เข้าใจในกระบวนการทํางานของจิตได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา ใครที่สนใจจิตตะนะครก็สามารถที่จะหาอ่านได้ค่ะไปที่มหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศหรือว่าตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการจัดพิมพ์จากสำนักพิมพ์ธรรมดาจิตตะนะครค่ะเพิ่งจะพิมพ์ได้ไม่นานนี้นะคะเพราะฉะนั้นหาได้ไม่ยากอ่านเองก็ยิ่งสนุกค่ะ ดิฉันว่าเมื่ออ่านแล้วเนี่ยก็น่าจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะทำให้เราอยากรู้แล้วก็อยากศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ต่ออีกเพราะว่าในเรื่องจิตตาครมีการยกหรือว่าพูดถึงข้อธรรมต่างๆเยอะแยะมากมายคือไม่ว่าอะไรก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราทั้งนั้นน ะ, นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรับรองว่าได้ประโยชน์จริงๆค่ะ แล้วก็อ่านได้ช่วยชีวิตด้วยนะคะอ่านแต่ละครั้งก็อาจจะได้อะไรบางอย่างอ่านอีกครั้งก็อาจจะได้อีกหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ฟังจากรายการห้องสมุดหลังไม้ก็คงจะได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไปอ่านเองก็จะได้ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งมั่นใจคะ่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะมีความตื่นเต้นเร้าใจชวนติดตามและ ว, วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายตอนอวสานของจิตตนครนะคะ จะเป็นตอนที่ฝ่ายผู้ร้ายกับฝ่ายนางเอกจะมาเจอกันมาสู้รบกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพระเอกก็คือทางฝ่ายของนครสามีทางฝ่ายผู้ร้ายนําโดยสมุไทยมีกองทัพใหญ่นําโดยสังโยตบดีส่วนทางด้านของนางเอกคู่บา ร, รมีมีมักเป็นแม่ทัพใหญ่มักหรือว่ามักคบดีมักมีองค์8นี่แหละคะ่ะ หลังจากที่ทั้งคู่คุมเชิงกันอยู่นานนะคะชิงไหวชิงพลิบแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงนครสามีให้มาอยู่ฝ่ายตนตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้แล้วก็ห้ามหันกันการต่อสู้ครั้งนี้จะดาเนินไปอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะ จิตตานะครตอนอวสานค่ะในขณะที่นครสามีเพ่งพินิษธาลุสมัตเข้าไปพบวิปัสสนานั้นกองทัพใหญ่สังโยชน์ทั้ง1ิบกองทัพน้อยก็ได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่มักทันทีตามคำสั่งของสมุทัย เพื่อที่จะยึดภูมิประเทศที่รวมถนนสีแพร่งอันเป็นที่ตั้งแห่งนิเวศของนครสามีอันกองทัพใหญ่มักยึดตั้งอยู่แต่กองทัพใหญ่มักได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงต่อสู้ป้องกันชายภูมิสําคัญของเมืองเอาไว้ได้เสียงต่อสู้ดังเข้าไปถึงภายในนิเวศแห่งนครสามีทำให้นครสามีต้องชะงักกันเพ่งพินิจทูท่ทั้งคู่ ไบเพ่งพินิษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้คู่อาสะวะรีบเยี่ยมหน้าเข้ามาชักชวนให้นครสามีทิ้งทูตทั้งคู่รีบออกไปกับคู่อาสะวะโดยเร็วสมุไทยกับกองทัพใหญ่สังโยดกำลังช่วยปราบศัตรูจวนเจียนจะชนะอยู่แล้วแต่นครสามีมีศรัทธาตั้งมั่นในองค์พระบรมครูแล้ว แล้วก็ได้เห็นว่าสมูทัยนั้นแท้จริงแล้วเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์จึงไม่ยอมทิ้งทูตทั้งคู่ออกไปกับคู่อาสวะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะนครสามีระลึกถึงคู่บา ร, รมีฝ่ายคู่บา ร, รมีก็ได้ปรากฏขึ้นทันทีแล้วก็บอกว่าฝ่ายกองทัพใหญ่มักจะต้องป้องกันชัยภูมิแห่งเมืองไว้ได้แน่นอนและจะยกออกไปทําลายกองทัพใหญ่สังโยชดถึงที่ตั้งได้ด้วย คูบารมีได้สนับสนุนอยู่เต็มที่ขอให้นครสามีเบาใจแล้วก็อย่าทิ้งทูธทั้งคู่ให้ดาเนินการเพ่งพินิ์ต่อไปนะครสามีจึงสิ้นนิวรสิ้นกังวลเพราะเหตุสังโยชกลับมาเพ่งพินิษสมาถะใหมา่มองทะลุเข้าไปพบวิปัสสนาจึงเพ่งพินิษวิปัสสนาก็ปรากฏสัจจะทั้งสี่ขึ้นในวิปัสสนาเหมือนดังกล่าวในพระพุทธศาสนา ขณะที่สัจจะทั้งสเริ่มปรากฏขึ้นแก่จิตธาตุแห่งนครสามีกองทัพใหญ่สังโยต์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มักถอยออกไปตั้งอยู่ในที่มั่นเก่ามักขบดีแม่ทัพใหญ่มักได้สั่งกองทัพใหญ่มักยกติดตามออกไปเพื่อทําลายล้างเพราะถึงจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติในขั้นเด็ดขาดกองทัพใหญ่มักได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อยทั้ง3ของกองทัพใหญ่สังโยต์คือกองทัพน้อย สักกายทิฐิกองทัพน้อยวิจิกิจชากองทัพน้อยศีลพัตะปรามาศกองทัพใหญ่มากได้ระดมโจมตีกองทัพน้อยสังโย์ทั้งสามนี้ทันทีมุ่งบทขยี้ให้แหลกลานเป็นการประเดิมชัยขณะที่กองทัพทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันถึงขั้นเด็ดขาดนคะรสามีก็บรรลุ ถึงขั้นดวงตาเห็นธรรมธรรมาจากสุขบังเกิดผุดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในขณะเดียวกันนี้ได้ปรากฏลำแสงจากกองทัพใหญ่มกักมีตะบากอำนาจยิ่งกว่าระเบิดทำลายใดๆในโลกทั้งสิ้นผวยพุ่งไปเผากองทัพน้อยสังโยชน์ทั้งสาม คือสากายะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกายวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาทางดำเนินของตนศีลแพะพตะปรามาตรความถือศีลและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาบยศเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ทาลายจกนกระทั่งสิ้นซากไปในชั่วขณะจิตเดียว บรรดาทุจริตและหัวโจกอันดาพานวายร้ายทั้งปวงก็วอดวายไปสิ้นพร้อมกันคู่อาสะวะกับสมูทไทยสลบสไลดไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมาแต่ก็กลับเป็นสมูทไทยกับคู่อาสะวะอีกคนหนึ่งซึ่งคลายความร้ายกาจไปเป็นอันมากและขอสงบพักรบกับกองทัพใหญ่มักทันทีหมดกำลังในขณะเดียวกันที่ธรรมาจักสูบังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามี และกองทัพน้อยสังโยน์ทั้งสามถูกเผาทำลายไปหมดสิ้นนั้นองค์พระบรมครูพุทธเจ้าได้ปรากฏพระธรรมกายขึ้นแก่ธรร ม, มาจากักษุของนครสามีพระองค์ได้เสด็จมาสู่จิตตานครในขณะเดียวกันนั้นองค์พระบรมครูได้เสด็จมาตามสัจจพจน์ที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเบ่า นครสามีผู้ได้ธรรมจากสุจึงได้เห็นองค์พระบรมครูโดยพระธรรมกายสมเจตนาที่มีมาช้านานได้ถวายบังคมพระยุคลบา ด, ด้วยความปิติยิ่งหนักและได้สดับพระพุทธพยากรณ์ว่าสาวกของเราผู้ละสังโยดได้สามเป็นสมุดเจเชษทาประหารคือละได้เด็ดขาดยอมเป็นสูดาบันคือพูดถึงกระแสธรรมแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้แน่นอน จะได้ตัสรู้ในเวลาต่อไปอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างช้าครั้นทรงพุทธพยากรแล้วก็ได้เสด็จกลับคู่บารมีได้เข้ามาแสดงมุทิตาจิตทันทีและบอกว่าบัดนี้นครสามีเป็นผู้พ้นอบายภูมิทั้งปวงแล้วมีอาพรพิเศษประดับองค์อยู่สีอยา่างนั่นคือหนึ่ง ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ามความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และ 4. ีศีลที่พระอริยปรารถนาคือศีลห้าที่บริสุทธิ์เกิดโดยสมุจเฉกวิรังตงดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยมักคูบารมีบอกว่าอาพรพิเศษนี้เรียกว่าโซดาปติยังคะ่ะ องแห่งความถึงกระแสธรรมทั้ง4ขนาดนั่นเองภูเขามห่ืมาที่สูงจดฟ้าซึ่งวงล้อมจิตตนครได้กลิ่งเข้ามาประชิดปราการทุกด้านแห่งจิตตนครความแปรปรวนภายในจิตตนครได้เกิดขึ้นถึงขนาดที่สุดถนนสี่สายชำรุดขนาดหนักระบบสื่อสารทั้งปวงขัดข้อง โรงงานทุกโรงชำรุดบางโรงเกือบใช้งานไม่ได้ระบบต่างๆพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พรอยเชอนแชร์ขัดข้องไม่สะดวกไปทั้งหมดเป็นอันแน่ว่าจิตตะนครจะต้องถูกบททำลายลงไปพร้อมกับความแตกทำลายทุกอย่างภายในนครสามีซึ่งจำจะต้องทิ้งเมืองไปสู่ภูมิอื่นเพื่อสร้างนครขึ้นมาใหม่ ถ้าเป็นเวลาก่อนแต่ที่จะได้ทํามาจากสุหรือปราะศะจากบุญกิริยาก็ยากที่จะออกไปได้เพราะดูไม่มีทางจะออกไปได้อย่างไรภูเขาสูงชันจดฟ้าล้อมประชับแน่นทั้งสีทิศโดยรอบไม่มีช่องที่จะเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่น้อยคงจะต้องถูกบดขยี้อยู่ภายใต้ภูเขาหินเป็นแน่แท้แต่เมื่อนครสามีได้ทํามาจากสุแล้ว ก็มีทางอพยพออกไปได้โดยสวัสดีขณะนั้นคู่บารมีกับบุญกิริยาและชาวเมืองผู้ติดตามก็ได้เตรียมการอพยพใหญ่เพราะจะมีทั้งกองทัพใหญ่มากทั้งคู่อาสวะกับกองทัพใหญ่สังโยตที่เหลือซึ่งบัดนี้เล็กลงพร้อมทั้งสมุทยัยซึ่งได้กลับเรียบร้อยขึ้นเป็นอันมากอพยพติดตามนครสามีไปด้วย เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นอันพักรบกันชั่วคราวและตกลงจะอพยพไปพร้อมกันในเวลาอันคับขันที่สุดนี้ระบบต่างๆของเมืองจาต้องยุบตัวเองลงเหลือสคือระบบวจีสังขารปรุงแต่งวาจาให้คำพูดคือวิตกวิจารณ์ความจึดตรองที่จะพูดระบบกายสังขารปรุงแต่งกายคือลมหายใจเข้าออก ระบบจิตตสังขารปรุงแต่งจิตคือสัญญาเวทนาหรือระบบสมองการกิริยาแห่งจิตตานครได้มาถึงแล้วเมื่อภูเขา ว, วงรอบนั้นได้กลิ้งบทขยี้ปราการเมืองเข้ามาทำลายทุกๆอย่างไปโดยลำดับกล่าวเฉพาะที่ย่อเป็นสมระบบคือทำลายระบบวจีสังขารดับวิตกวิจารณ์ที่จะพูดลงก่อนแล้วทำลายกายสังขารดับจมลงนครสามียังไม่อพยพครันแล้ว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 โดยที่นครสามีกับคณะได้อพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีแล้วเรียบร้อยเมื่อจิตตนครได้ถึงการอวาสานลงแล้วแต่นครสามีกับคณะผู้ติดตามได้อพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีได้โดยได้เคลื่อนขึ้นเหนือภูเขาแห่งชราและมรณะออกไปสู่สุขติหรือคติที่ดี จึงไม่ถูกภูเขาบทโลกนั้นบทขยี้อยู่ภายใต้ให้จมลงไปสู่ทุกขติโดยอนุภาพแห่งบุญกิริยาไตรสรณคมและโดยเฉพาะโซดาปัติยังคะทั้งสี่อันเป็นอาพรพิเศษแห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมทรมาจากสุเรื่องจิตตนครจึงเป็นอันถึงการอวสานช่วงหน้ามาติดตามบทสุดท้าย ที่ชีวพรส่งท้ายจากสมเด็จพญายนาสงวนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งเล่าถึงที่มาที่ไปของการนิพนธ์จิตตนครค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองแม่อยากรู้จริงๆนะคะว่า คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังจิตตนครมาจนถึงตอนอวสานแล้วมีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเขียนมาคุยมาเล่ากันได้นะคะดิฉันว่าเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกๆุกวัยเด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะนักนะคะก็อาจจะเหมาะสําหรับเด็กมหาวิทยาลัยขึ้นไปก็น่าจะพอฟังได้จริงๆมัธยมปลายก็พอจะฟังได้แล้วนะคะ วัยคนทำงานวัยผู้ใหญ่ก็น่าจะดีไัยสูงอายุที่ผ่านชีวิตมาเยอะโอ้อันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาอ่านหนังสือนั่งหาไม่สะดวกก็น่าที่จะได้ประโยชน์จากห้องสมุดหลังใหม่อยู่ไม่น้อยนะคะสำหรับในช่วงต่อไปหลังจากจิตตะนครอวสารแล้วเราจะย้อนรำลึกค่ะ กับบทส่งท้ายในหนังสือจิตตานครที่องค์ผู้นิพนธ์นะคะได้ท่งตรัสเล่าถึงที่มาที่ไปแห่งเรื่องจิตตานครกับบทที่ชื่อว่าพรส่งท้ายค่ะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์นิพนเรื่องจิตตานครถ้าพร้อมแล้วไปติดตามฟังกันเลยค่ะ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 แต่ก็ยังชวนให้คิดวางโครงเล่าเรื่องจิตตะนครโดยอุปมาคือคิดขยายอุปมานั้นออกไปเป็นเรื่องจิตตะนครขึ้นทั้งได้อาศัยพระพุทธภาษิตในสลายตะนวักสังยุตติกายอีกแห่งหนึ่งที่ผูกอุปมาถึงนครชายแดนแห่งหนึ่งมีปราการและเสาระเนียอันมั่นคงมีทวารหกมีนายทวารบาลเป็นผู้ฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักมีให้เข้าไป อนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปได้มีทูดด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศทั้งสี่ถามนายทวรบา น, นั้นว่านครสามีหรือเจ้าแห่งนครนี้นั่งอยู่ที่ไหนนายทวรบานตอบว่านครสามีนั่งอยู่ที่ทางสีแพร่งกลางเมืองทูดด่วนคู่นั้นจึงมอบยะถาภูตพ์คือคาตอบตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมัก หรือทางที่มาแล้วและได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่านครเป็นชื่อของกายนี้คำว่าทวารหกเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่านายทวารบาลเป็นชื่อของสติคำว่าคู่แห่งทูต ด, ดวนเป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งมหาภูตะคือธาตุทั้งสี่ คำว่าเยถาภูตะพทหรือคำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่ามัคตามที่มาแล้วเป็นชื่อแห่งมัคมีองคป8เรื่องจิตตนครจึงได้ถูกผูกขึ้นตามโครงอุปมาดังกล่าวบรรจุธรรมทั้งปวงโดยบุคคลาธิสถานและแสดงออกมาตามจังหวะของเรื่องตั้งแต่ต้นจนอวสาร มีความประสงค์เพื่อที่จะชักจูงใจผู้ประสงค์ธรรมในรูปและรสที่แปลกมาฟังมาอ่านแล้วไขความธรรมน้อมเข้ามาสู่ตนเพราะเรื่องจิตตานครทั้งหมดก็เป็นเรื่องกายและจิตนี่เองและทุกคนก็จะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่กริ่งมาบทชีวิตฉะนั้นฉไห น, นจะไม่สแสวงหาที่พึ่งดังเช่นนครสามีในเรื่อง และชะไหนจึงจะยอมอยู่ใต้ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นมาบดขยี้เอาข้างเดียวชะไหนจึงจะไม่ปีนขึ้นเหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้างพระพุทธศาสตร์ได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้วเมื่อเพ่งพินิษเรื่องจิตต น, นครจนถึงอมสารจะพบวิธีปฏิบัติอยู่เหนือสมุทยกับพักพวกตลอดถึงภูเขาแห่งชราและม จ, จุดังกล่าวทุกอย่าง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 เป็นทํานองบุคคลาทิสถานจึงผูกเป็นบุคคลขึ้นให้เห็นได้คิดว่าเหมือนอย่างการสร้างพระพุทธรูป ข, ขึ้นไว้บูชาก็แล้วกันเพราะว่าคนทั่วไปอยากเห็นเหมือนอย่างเห็นด้วยตาเพื่อทำให้เห็นดังนั้นได้ก็จะซาบซึ้งเข้าไปถึงใจได้ดีกว่าแสดงเป็นนามธรรมล้วนๆ น, นั่นคือบทพรส่งท้ายจากองค์พุนิพนธ์นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะคำนำสํานักพิมพ์สํานักพิมพ์ธรรมดาได้กล่าวไว้ว่าพระนิพนธ์เรื่องจิตตนคร น, นี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ส่งนิพนธ์ขึ้นเพื่ออธิบายถึงความสําคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตของคนโดยทรงนําเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคราธิสถานด้วยการใช้ถ้อยคำง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเรื่องจิตและการปฏิบัติทางจิตเสมือนเป็นบุคคลที่มีการต่อสู้เพื่อชิงจิตตานครกันระหว่างสมุ ท, ทยัยอาสวะกับบารมีพรนิพนธ์เรื่องนี้ถือเป็นวิธีอธิบายคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และทำความเข้าใจได้ยากให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจึงนะับเป็นพระนิพนธ์ชั้นเลิศและยังแสดงถึงพระอัจฉริยะพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทั้งทางด้านปริยัติและการปฏิบัติภาวนานี่คือในส่วนคำนำสำนักพิมพ์ธรรมดานะคะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ล่าสุดค่ะ แล้วก็ในฉบับที่สำนักพิมพ์ธรรมดาได้จัดพิมพ์นี้จิตตานะครมีความหนาทั้งสิ้น334หนะ้าแต่ตัวหนังสือค่อนข้างโตนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่านได้แบบสบายสบายแหละค่ะสำหรับดิฉันเองได้ยินเรื่องจิตตานะครครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วนะคะไปร่วมงาน99พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวร์แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระสากยะวงวิสุทธ์หรือพระอาจารย์อนินมานธรรมสากิโยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านเป็นพระภิกษุชาวเนปาลราชวงศ์สักยะนะคะคือเป็นสักยะวงะวงเดียวกับพระพุทธเจ้าที่สืบเชื้อสาย ต่อสืบต่อลงมาได้มีโอกาสสนทนาธรรมนะคะกับพระอนินทมานท่านก็ได้เล่าถึงสมเด็จพระสังฆราชเล่าถึงพระจริยวัตรของพระองค์ที่โปรดการอ่านมากๆแล้วก็ได้พูดถึงผลงานการนิพนธ์ของพระองค์ที่ชื่อว่าจิตตานครโดยบอกว่าเล่มนี้เนี่ยพระองค์นิพนธ์โดย นิพนธ์ในรูปแบบของนวนิยายมีตัวละครครบเลยพระเอกนางเอกผู้ร้ายและก็สนุกมากด้วยนั่นละค่ะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ทราบเรื่องจิตตานครพอฟังแล้วก็รู้สึกสนใจทันทีนะคะว่าวิตายมีมีหนังสือธรรมะแบบนี้ด้วยหรอน่าสนใจจังและที่สาคัญนิพน์โดยสมเด็จพระสังฆราชนะคะหลังจากนั้นก็ มีโอกาสไปที่สวนโมกรุงเทพนะคะหอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทบัญญอแล้วก็ได้เห็นหนังสือเล่มนี้แต่สงสัยว่ายังไม่ถึงเวลาก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาได้แต่หยิบหยิบจับจับจนกระทั่งเมื่อวันสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็มีเหตุบังเอิญ ฉันไปที่ร้านหนังสือแพร่พิทยาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่ม น, นี้ค่ะในเวอร์ชั่นล่าสุดก็หยิบเอามาซื้อมาไม่ใช่หยิบเอามาตัดสินใจซื้อหลังจากที่หยิบหยิบจับจับมาแล้วหลายครั้งในขณะที่กำลังเดินไปยังที่จอดรถก็พอดีได้รับข่าวสั้นว่าสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนแล้ว คือพอดิบพอดีในวันนั้นเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีโอกาสอันเหมาะควแล้วค่ะในการที่จะได้นำเอาจิตตะนครนี้มาถ่ายทอดแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะและที่สำคัญค่ะหนังสือจิตตะนครนี้แรกเริ่มเดิมทีนะคะ ส่งนิพนธ์เพื่อที่จะให้เป็นบทละครวิทยุด้วยค่ะาจากบทสัมภาษณ์นะคะจากบทสัมภาษณ์พระราชยานกวีปิยโสพลท่านผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระรามก้าการเจนาพิเศษซึ่งเป็นพระอีกผู้หนึ่งที่เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านก็บอกว่า สำหรับจิตตานครเป็นงานบทละครที่พระองค์นิพนธ์ขึ้นเป็นงานที่พระองค์ทรงเห็นว่าจะยังประโยชน์ไปสู่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเนื่องจากสมัยนั้นคนไทยนิยมฟังละครวิทยุกันมากปรากฏว่าเจ้าประคุณสมเด็จท่านก็ทรงนิพนธ์บทละครวิทยุขึ้นมาพร้อมเรียบเรียงออกมาเป็นตอนๆแล้วก็ทรงอ่านออกอากาศเป็นบทละครวิทยุด้วยพระองค์เอง ทางสถานีวิทยุอสพระราชวังสนวนยุสิทธิ์ในบทมีพระเอกนางเอกผู้ร้ายครบครันในเรื่องสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยคติคำสอนทางธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงพยายามที่จะเอื้อเฟื้อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายนอกเหนือจากบทพระนิพนธ์ จิตตานครนะคะที่พรงทรงตั้งพระไทยให้เป็นบทละครวิทยุตั้งแต่แรกก็ยังมีหนังสืออื่นๆ อ, อีกหลายเล่มที่ทรงมิผลขึ้นนะคะเพื่อสอนแล้วก็เผยแพร่เผยแพรธรรมะอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจคือล้วนแล้วแต่ทรงทรงนำหัวใจของพุทธศาสนามาอธิบายแล้วก็มาเผยแพร่เช่น หนังสือที่ว่าด้วยวิธีการสร้างบุญบารมีหนังสือธรรมะที่ชื่อสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็เล่มนี้ละค่ะบทละครวิทยุจิตตะนะครจากบทสัมภาษณ์พระราชยานกวี ปิยะโสพลนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษที่ให้สัมภาษณ์ในกรุงเทพธุรกิจท่านก็บอกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่านจะเป็นผู้ที่ประหยัดมากๆนะคะส่งใช้จีวอนสีปอน ใช้ผ้าสามผืนเก่ามากบางผืนใช้สิบปีแล้วก็ทรงสำรวมคำพูดจะไม่พูดให้กระทบจิตใจผู้ใดไม่นินทาว่าร้ายเวลาพระองค์ขำขำๆมานะคะก็จะแค่แย้มพระโอ์นิดหน่อยไม่หัวเราะดังเหมือนญาติโยมทั่วไปสำหรับพระราชยานกวีท่านปิยโสพล เ, เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชในสมัยที่หลวงปู่จันรศีนำท่านมาฝากไว้ที่วัดบวรตั้งแต่อายุได้16ค่ะและเคยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของสมเด็จพระสังฆราชในช่วงปี2532ถึง2 5 3พรพระราชยานกวีก็บอกว่าพระองค์ทรงใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าเพื่อการศึกษาทรงเป็นนักอ่านชั้นเยี่ยม ในห้องบรรทมหรือห้องทรงงานจะมีหนังสือของพระองค์มากมายทั้งตำราภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันบาลีสันสกฤตนะคะส่วนทางด้านของนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์หนึ่งในพุทธศาสนิกชนผู้มีส่วนในการก่อตั้งส่วนโมกกรุงเทพก็เล่าว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระต้นแบบที่สร้างคุณงามความดีแก่สังคมไทยนานับประการ ดูได้ตั้งแต่พระพระสมณสมัญญาของพระองค์นะคะที่ชื่อว่าญาณสังวรก็ได้ขัดสรรมาเป็นกรณีพิเศษพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระสงฆ์เพียงสองรูปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับสมณสมัญญานามนี้พระองค์ปฏิเสธการรับ สมณะฐานดันดรเป็นสมเด็จพระราชาคณะแต่ว่าถูกขยันขยอและก็วิงวอนโดยทุกฝ่ายเพราะพระองค์ทรงมีคุณอันงดงามสมกับคำว่าญาณสังวรซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความสำรวมและวางอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางธรรมในเชิงปริยัติและทางศึกษาวิปัสสนาและปฏิบัติคุณหมอเปชาพงษ์พา น, นิชบอกว่า เนื่องจากทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะพระองค์จึงทรงงานสําคัญหลายอย่างแต่ที่น่าสนใจและเป็นคุณูปการสําหรับชาวไทยอย่างมากก็เห็นจะได้แก่พระกรณียกิจด้านการสอนธรรมะด้านการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ด้านการเขียนและการสื่อสารค่ะด้านการสอนธรรมะเนี่ยพระองค์ทรงเป็นหนึ่งใน ครูวิปัสนาจารย์ของไทยมาตั้งแต่ปี2510นะคะโดยสอนอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไม่ได้สอนเฉพาะคนไทยค่ะสอนพระฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยด้วยพระองค์ยังมุ่งมั่นเสริมต่อในทางวิปัสนาธุระที่เป็นหัวใจของพระพุทธศา ส, สนาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้และพระองค์ก็จะถือโอกาสออกทุดงอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไปปฏิบัติธรรม ได้อกถือโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนทางธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเช่นพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ปั้นพระอาจารชาพระอาจารย์พุทธทาตสพระอาจารย์มหาบัวส่วนภารกิจด้านการเผยแผ่ธรรมะนะคะนอกจากจะสอนธรรมะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วพระองค์ยังทรงเห็นความสําคัญของการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลกทรงเป็นผู้ดําริค่ะให้มีการอบรมพระธรรมทูตขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2509 แล้วก็ร่วมมือกับครูบาอาจารย์หลายรูปทำการอบรมพระธรรมทูตรุ่นหนึ่งขึ้นเป็นผลสำเร็จเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปช่วยคนทั้งโลกก็จะเห็นได้ว่าทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและเมื่อปีที่แล้วในที่ประชุมของชาวพุทธโลกก็มีข้อตกลงเป็นเอกฉันน์ว่าสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะคะถือเป็นเรียกว่า เป็นหนึ่งคุณหมอบัญชาใช้คำว่าเป็นพี่ใหญ่ของชาวพุทธทั้งมวลในโลกนี้แล้วก็สุดท้ายพักกรณณากิจด้านการสื่อสารและการเขียนก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอบัญชาบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์หมดจดอยู่แล้วพระธรรมไม่ได้เสื่อมลง พระศาสนาก็หาได้เสื่อมลงไม่แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัททั้งสี่ในการที่จะดำรงไว้เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ทรงสำแดงให้เห็นซึ่งปิ่งใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อใจทุกๆดวงห <ใจ S 1> ลากุณฟังไปก่อนนะคะ ท้องสมุทรหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง